ตติโลมุปคโลกาตเอกมูลกไนห้าอนุโลมปุจฉ า, ก, ก, ากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนากามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปประทัดอรูปประทัดและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์กามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลสองจําพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉา ปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในการมธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาต อรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ปฏิคานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกาม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 และมานานุสใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาบธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์กามราคานุใสของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่ นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่ไม่นอนเนื่องการมราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโดมปุจชามานานุส ah ัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุส um ัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาใช่ อนุรมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์กามราคาอนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมาราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจติชนาะบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามาธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมาราคาุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนาในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุก วิจ no no ิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง ภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในจภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก การมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอาณาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุการมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามธาต ได้ในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกกามราคาอนุัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภพะวราคาอนุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคาอนุัยของอาหารตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและภพะวราคาอนุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุชชาเพระวราคาอนุัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมพิจารนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามาธาตุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข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 วิจาราบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวัธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อาาคามีบุคคลในเวทนาสในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุกามราคานุัสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุัสมีใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในถภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกามราคานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาใช่5้ิบเอนุลมปุจฉา ปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมาานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาต์และในรูปธาตุอรูปธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุก์ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามทธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยมีใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคล <ain> นั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวัธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกปฏิคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉา มานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนามานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่นนองแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาบธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุดฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานนุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจารณาบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปาธาตุอรูปาธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ปฏิคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจานุสัย ก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคาอนุสัยของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคาอนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจารนาบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนา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 แต่ภวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาต์แต่ในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัดตทุกข์ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในรูปธาต์และอรูปธาต์ปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง แต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามาธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์ปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของอรหันต์แบุคคลในภุ่มทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโรมปุจฉา เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก์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 ในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของอรหันต์แบุคคลในภูมิทั้งหมด ไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิรมปุชชาอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิขานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ห้าบแอนุรมปุชามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยและ วิจิกจริชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัรนาบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนาะมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกจริชนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์มานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกจริชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 อนุรมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกในทุกขเวทนามานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตฏทุก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 ทิฏฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจษานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัิชนาใช่ปฏิรูปุจชาวิจิกริษานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัิชนาใช่อนุโลมปุจชา ทิฏฐานุสัยและวิจิกริชนุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราค า, านุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจติชนาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกริชนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลเหล่านั้นนั่นและในเวทนาสามในกามธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกวิจิกิจรานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจรานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉา เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาบุคคลผู้ปเป็นปุถุชนในเวทนาสามในการมาธาตุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุ analyses. คคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตฏทุ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 บุคคล3มจำพวกในเวทนาสามในการมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์วิจิกิจชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง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 เอา ก, กาูรคกนัยจบทุกกาูลกนัยออนุลมปุจฉาการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานอนัสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชณาบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุ การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที uh ่นั vote, ้นไม่ใช uh ่นอนเนื่องแต่มานานุษัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาบธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมามานานุสัสก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อาาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุกามราคาหนุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์การมราคาหนุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและ มานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคาณุสัยของอรหันตบุคคลในปุ่มทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลตามจําพวกในทุกขเวทนา มานานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของอรหันตต่บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่อง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 การมราคานุสัยและปฏิคานุสใยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิกิจฉานุัยก็มิใช่นอนเนื่องของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดละปฏิโลมปุจฉา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 ในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์กามราคานุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนณาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาวะราค า, า, านุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในธนาสามในการมาท่และในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุกขการมาราคานุสัยและปฏิการหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดละปฏิโดมปุจฉา เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคาหนุสัยและปฏิคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาเพราะว่าราคานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคาหนุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนาสองในกรรมามธาตุเพราะว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดละ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 ใน ส, สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนณาคารมีบุคคลในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง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 กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ทุกกะมูลกันในจบติกะมูลกนใน62บอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัสละ วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิต JO ัชนาใช่ปฏิรอมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดใทนที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นใทนที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชนาบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาวิจิกิจฉา archive, นุสัย การมาราคานุ first, สัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคาหนุสัยและมานานุสัยมีใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาต hey? ุและอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสยัยกามราคานุสยัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านัา้ น, นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสยัยปฏิคานุสัยและ มานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคล น, นั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาบธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก วิจิกิจฉานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุสัยปฏิคานุัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดละอนุโลมปุจฉาการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที Nazis, s <S <con> ่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจพวกในทุกขเวทนา เพราวราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคาหนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุเพราะว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคาหนุสัยและมานานุสัยม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุราวะราคานุสัยกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคล น, นั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาบธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตฏทุกเพราะว่าราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันต์ตบุคคลในภูมิทั้งหมดละอนุโลมปุจชา กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่ น, นอนเน uh ื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิท <ไ tobacco? S 2> ัศนาอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนากามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุษัสไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคล น, นั้นนั่นแหละในสภาปะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดละปฏิโดมปุจ ช, ชาอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ติกะมูลกันัยจบจตุกกามูลกันในหกสิอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุษยัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง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 ในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลเหล่านั้นนั Look, yeah, ่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกริชนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏุกวิจิกิจานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิกาณุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง อาาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคล น, นั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ วิจ <de> <ating participar> <c Reading> ิก uh ิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำลังนอนเนื่องกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องและจตุกะมูลกนใน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 ปฏิโดมปุจฉาเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิการนุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นบุตุชนในทุกขเวทนาเพราะว่าราคานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง แต่ปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุราว่าราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื <yi> ่องแต่กามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก เพราะวราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาเพราว่ราคานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้น ไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมาธาตุราะว่ะราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาบธรร ม, มที่ไม่นับเนื่องในวัตจักร เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่าน <guarantee ientes S 2> ั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุเพราะวราคานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง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 ปัญจกะมูลกันัยจบจักกะมูลกันนาย65อนุโลมปุจฉากามราคานุัยปฏิคานุัยมานานุัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุัยและภาะวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม วิจัชนาะอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและพระวาราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุษัยท <annoy S 1> att ิฏฐานุสัยวิจ ja ิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุษัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยของอรหันต์ตบุคคลในภูมิทั้งหมด ไม่ใช่นอนเนื Ta. ่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิตัชชา ใช่ชะกะมูลกนัยจบปฏิโลมในอนุสยาวานจบอนุสยาวานจบ